เียในรายละเอียดก็ค่อยไปว่ากันดีกตรงนี้นะเดี๋ยวเขาดูตรงนี้ก่อ น, นที่เกียดกลับไปดูที่จริงมันต้องย้อนกลับไปอธิบายอั น, อ น, อนแรกอะ <c oughs> มาเรีนยนสติปัฏฐานเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยนะนี่คำว่าคาว่าปัฏฐานเนี่ยมันแปลว่าการเป็นที่ตั้งก็ได้ การเกิดขึ้นติดต่อกันแบบตลอดสายไม่ขาดสายก็ได้คําว่าปัฏฐานนะคําว่าปัฏฐานเนี่ยคือการเกิดขึ้นสืบต่อกันตลอดสายไม่ขาดสายก็เรียกว่าปัฏฐานเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นตัวที่สตินเนี่นะไปกําหนดไปวิจัยอยู่ตลอดขึ้นชาวนะเมื่อไหร่สติก็ก็วิจัยขึ้นชาวนะเมื่อไหร่สติก็วิจัยกดวิจัยอะไรนั่นแนหะสติเป็นปัฏฐานแล้วมันเกิดตลอด เอาในขณะฟังธรรมเนี่ยสติเป็นไปอยู่อย่างงี้นะนี่ก็สติมันเป็นประฐานได้มันเกิดตลอดได้เป็นตลอดสายอาบสายตลอดแนวนะถ้ า, ามันง่วงแทรกเป็นระยะระยะเนี่ยเป็นภาวนาเป็นอยู่แล้วภาวนาภาวนาก็แปลว่าเกิดบ่อยๆต้องการว่าเราเข้าใจตัวนี้แล้วเราให้มันเกิดจริงๆหรือเปล่ามันตรงเนี้ยตอนเนี้ยอนนออามาเป็นห่วงพวกเราอยู่อย่างเดียว่เข้าใจแล้วมันเดินกันไม่เป็น ไม่ค่อยเดินกันอย่ดีไม่ค่อยเดินสติไอ้เรื่องความเข้าใจอธิบายไม่ยากใช่ไหมสู้จะไม่ค่อยเข้าไม่ยากเท่าไหร่แล้วมาถึงนาชั่วโมงนี้แล้วเนี่ยเช่นว่าทําสติให้ปรากฏบ่อยๆและทุกชาวนะที่เกิดขึ้นสติก็ปรากฏทุกครั้งเป็นทับปัฐานนะเกิดขึ้นตลอดสายตลอดแนวไนดะ้ลงชวนะก็ดับไปขึ้นใหม่ก็เกิดเนี่ยนะ ถ้าเป็นไปในรักษณบ น, นี้ก็เรียกว่าสติน่ะปรากฏด้วยสติปรากฏด้วยฉั้นตรงเนี้ยเวทนาปรากฏไม่ใช่สติสติปรากฏด้วยเป็นตัวสติด้วยนี่นะพิสูจน์พิจารณาเวทนานั้นด้วยสตินั้นได้ก็ด้วยด้วยอะไรญาณนะคือปัญญากับสติเนี่ยแยกกันได้ไหมยแยกได้ไหมถ้าแยกไม่เรียกว่าสติปฐานแค่นั้นแหละพอแล้ว ถ้าแยกไม่เรียกว่าสติปัฏฐานเพราะถ้าแยกแล้วในท่านอุมางี้อํามาตย์สองคนอีกคนหนึ่งมีราชกามาลอยู่ด้วยอีกคนหนึ่งอยู่คนเดียวนะยมหวานนะเขายายวันนี้อาจารย์อมางเนี้ยมีอามาตย์อยู่สองคนฟังไม่ใช่ฟังนี่หลับฟังนะั้นตั้งใจฟังเนี่ยนะอามาตย์อยู่สองคนนั่งท่านะั้นไม่ใช่เอาไว้ใจ ถ้ า, าพร้อมที่จะไปเลยสาระวัตรนเที่ยลงเนี่ยมันก็ ไ, ได้เรื่องแล้วนั่งถ้าอาพอร้อมที่จะวิ่งหนีเนี่ยเห็น <c oughs> พรทํารมได้เจ้านี่เตรียมถอยหนีถอยห่างแล้ยมีอมาดกับสองคนใช่ไหมอามาตท่านหนึ่งอยู่กับราชกุมารอมาตท่านหนึ่งอยู่คนเดียวในอมาตสองคนนี้ใครีย่ำนานมากกว่าใครย่ำนานมากกว่าอามาดที่อยู่กับราชกุมารยึดราชกุมารไว้ได้เนี่ยอามาตคนนั้นต้อ ง, งีย่ำนานมากกว่า ใช่ไหมใครอยู่ใกล้เจ้าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยคนนั้นมีอำนาจถ้าใครอยู่ไม่มีเจ้าพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าราชกุมารอยู่ด้วยเนี่ยอำนาจไม่มีหรอกมีเหมือนกันแต่อำนาจน้อยฉะนั้นสติถ้าปราศจากญาณนะเหมือนสติที่เหมือนอมาร์อยู่คนเดียวไม่มีราชกุมารอยู่ด้วยไม่สามารถยึดราชกุมารไว้ได้แต่สติถ้าอยู่กับปัญญาเหมือนกับสติที่อยู่กับเหมือนกับอมาร์ที่อยู่กับราชกุมารเข้าใจนโยบายมั่งคน ฉะนั้นสตินั้นสติด้วยและญาณนั้นด้วยก็เราตายะสติยาเตนะยานีนะตังเวทนังอนุปัสติยะก็หมายความว่าภิกษุพิจารณาเห็นเวทนานั้นด้วยสติและญาณนั้นจึงจะเรียกว่าสติปัฏฐานผมมองเห็นนตเดีวนี้นะสติปัฏฐานต้องเป็นสติที่มีกำลังไม่ใช่สติอ่อนแอสติอ่อนแอเขาเรียกสติธรรมดาใช่ราชกุมารเหมือนกับนั่นแหละ สติอยู่คนเดียวก็ทุลกพสามกําลังไม่เป็นสติฐานคือไม่มีกําลังอ่ะไม่มีกําลังไม่มีกําลังก็ไม่สามารถที่จะเป็นปัจจัยในการที่จะว่าจเจริญ ส, สติสัมโพชฌงค์อนัสายวิเวกอนาศัยเวราคอาอนัสายนิโรคาทะน้องไปเพื่อการสลัดทิ้งไม่ได้ไม่เป็นสติสัมโพชฌที่แข็งแรงถ้าสลับบ้างอะไรบ้างนะพอได้แต่ว่าที่จริงก็น้องไปเพื่อใจเกิดยาก น, นะนี่มองอหรอนะ เพรจะเห็นนะเพราะเหตุนั้นนะท่านจึงเรียกการพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลายในสกิบทฐานภาวนาภาวนามีองค์สี่คือภาวนาด้วยว่าธรรมทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้นไม่ล่วงกันแลกกันสติและปัญญาต้องยังไงคู่กันภาวนาด้วยว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีกิจเป็นอันเดียวกันโ อ, อ้เนี่ยตรงนี้ต้องอธิบายไปดึงมาไหนนู่นถ้าต้องการจะเข้าใจมากๆ ก, ก, ก็ไปดึงในปริสัมพิทามากมา ไปดึงมาอธิบายเลยนะแต่เดี๋ยวสรุปให้ฟังนิดหน่อยเพราะถ้าไปดึงมาทั้งหมดก็เรื่องยาวเลยต้องเรื่องเราสอนคนที่เอาจริงเอาจั ง, อ, จงอยากจะออกจากทุกข์จริงๆเลยยกมือขึ้นบอกว่าอยากจะออกจากทุกข์แล้วตั้งใจทิ้งทุกถิง่งทุกอย่างแล้วต้องการเนี้ยจะออกจากทุกข์แล้วเป็นนั่งวิจัยกันจริงๆได้อย่างงั้นก็ไปนั่งคุยกันถ้าอย่างนี้ก็เรียนพวกเป็นโอปนิสัยเขาเรียกเป็นวาสนาภาคดยะเรียนไปหลักไปเอางั้นนะเอางี้เปล่า ถ้าเรียนประเภทที่อยากออกจากทุกข์จริงๆเนี่ยก <c oughs> ็ทิ้งไงใช่ไหม <c oughs> ถ้าเรียนแบบนี้ก็จะเรียนแบบเป็นวาสนาภากิยาวแค่อยเป็นค่อยไปเอาจริงเอาจั ง, จงด้วยท่านอ๋อ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องฝันอ๋ออย่างที่ท่านพูดตอนนี้ท่านบอกว่าถ้า <c oughs> ถ้าเราอยากจะสละทุกสิ่งแล้วเราไปเนี่ยจริงๆอยากจะทําอย่างนั้นได้แต่ว่าเราจะเราจะทํำยังไงนะคะเพราะว่าเราก็เป็นผู้หญิงอ๋อถ้าถ้าหากว่า กรณีที่ใจยังแค่นี้ยังไปไม่ได้แต่ถ้ามันใจมันพร้อมนะถ้าสมมติเหตุปัจจัยสัตทินซีพร้อมวิริยินรียพร้อมสตินรีสมาตินรีปัญญินรียพร้อมนะนถ้าอินรียต่างๆเหล่านี้พร้อมเพียงต่างๆเหล่านี้นะคําพูดนี้ไม่มีเอาเอาเชือกมาล่ามโยงไว้เอาโซ่มาล่ามไว้โซ่ก็ค่ะโซ่แต่ตอนนี้ไม่ต้องโซ่ล่ามหรอกเอาได้โผเขาไว้ก็ติด โอ้โหเนี่ยตนได้เส้นเบอร์เร่อเลยท่านจะแกะได้ยังไงได้เส้นเล็กๆเนี่ยแต่ยอมมองเห็นเป็นโซ่แล้วที่ว่าไม่พอเขาหมายความว่ากิเลสมันมันวิจิตมากกว่าที่เราคิดคืออย่างนี้นะอธิบายอย่างนี้หน่อยพอจะไม่เชื่อมคําว่ามีกิตอย่างเดียวกันในศรัทธาปกติกับศรัทธาระดับภาวนาต่างกันถ้าศรัทธาปกติเขาเรียกศรัทธาเจตสิกเนี่ยนะเป็นธรรมชาติที่เป็นใหญ่อย่างหนึ่งมีสองอย่างก็ปกติศรัทธากับภาวนา คนทั่วไปเนี่ยนะศรัทธาที่เกิดกับทานศรัทธาที่เกิดกับศีลศรัทธาที่เกิดกับภาวนาเอามาใช้ศัพท์แรงๆไม่เป็นไรนึกไม่เป็นไรใช่ไห ม, ไมใช้ศัพท์แบบแได้นะศรัทธา <ina> ที่เกิดกับทานศรัทธาที่เกิดกับศีลศรัทธาที่เกิดกับภาวนาแบบปลอมๆแบบปอม ๆ, ๆมันเขาเรียกว่าเป็นศรัทธาปกติ ไม่มีกําลังพอในการจะถ่ายถอนตัณหานียเข้าใจไหมเนี่ยทีนี้ทานศีลภาวนาแบบปอมๆเนี่ยถามว่าทานศีลภาวนาแบบปอมๆเนี่ยเนี่ยชื่อว่าเป็นปกติศรัทธาถ้าพูดถึงการควบคุมจิตไม่ไม่ใช่ธรรมที่สามารถจะระงรับจิตที่มันกระสับกระส่ายได้ไมาใช้คาว่าจิตที่บ้าไม่สามารถที่ระงรับจิตบ้าได้ เพราะมันเป็นของปลอมมันได้ชั่วพักชัว่วคู่แต่ในส่วนจริงมันก็ใช่ไหมมันครอบงำไม่ได้มันครอบงาำอะไรมันออกจากกาเมฉันทะไม่ได้ออกจากพยาบาทไม่ได้ออกจากถีน้ำมิท้าไม่ได้ออกจากอุท่าจากักุกกุจ่าไม่ได้ออกจากวิจิกิจชาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของปลอมๆแค่นั้นเอาอย่างเราดูอย่างเงี้ยว่าเราศึกษาพระธรร ม, มเนี่ยถ้าเรารู้ว่าศรัทธาแบบปลอมๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ เง็บเง็บง่วงอะอันนี้ไม่ว่ากันนะมันเป็นอย่างนั้นมันยังศรัทธายังไม่เข้าถึงระดับภาวนาถ้ามันเข้าถึงระดับภาวนาเนี่ยมันเดินขึ้นมาอีกระดับหนึ่งมันออกจากกามฉันทะไม่ค่อยยินดีไม่ยินดีไ ม, นดไม่เพลิดเพลินเะนี่ะมันออกจากพยาบาทด้วยออกจากความหดหู่ท้อถอยด้วยออกจากความฟุ้งซ่านด้วย ออกจากความกําหนดที่ไม่แน่นอนไอ้วิจิกิชาวเนะี่ยมันกําหนดไม่แน่นอนไปไม่ไปเนี่ยมันจะออกมาได้นี่เขาเรียกระดับภาวนาศรัทธามันได้หรื อ, อยังรระดับเนี้ยมันไม่ใช่นั่งภาวนาได้นะแต่มันจะเกิดได้ด้วยการไข้ร้อนด้วยการเข้าใจอย่างลึกซึ้งพอมันเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันเดินมันออกมาได้จริงๆด้วยแล้วมันจะมาอยู่อีกระดับหนึ่งไอต้ตอนเนี้ยยอมยังยังอยู่ข้างล่างอยู่ะ อามาถึงใช้คาบางทีไม่ค่อยอยากจะใช้คําพูดถ้ากับพร้านนี่นะอามาไม่ต้องเกรงใจกันเลยอามาพูดกันปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุทันเข้าใจเลยแต่กระโยมบาทีอามาต้องมองหน้ามองตาก่อนจะพูดไปแล้วนี่จะกรธกันหรือเปล่าใช่ไหมใช่ <Okay. S 1> ฮะแต่เจตนาดีนะที่พูดเนี่ยต้องการให้รู้ว่าเดี๋ยวโยมเอ๊ะอีฉันเองเนี่ยศึกษาพระธรรมมาตั้งนานนั่นไหมก็ในท่านมามาว่านี้ไม่ใช่เลย ต้องการอยากจะให้รู้ว่าจะพัฒนาให้มันขยอบขึ้นยังไงบางทีมันอยู่เนี่ยมันมันมันมันกดอยู่อยู่มันกดอยู่มันทะลุขึ้นไม่ได้มันก็เลยอยู่แค่ปกติสตามันมันทุกวันเนี่ยมันยังมันขึ้นข้างบนไม่ได้ไงให้สังเกตดูที่มันจะเดี๋ยวเราก็ยินดีเพลิดเพลินเดี๋ยวเราก็ฟุ้งเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หดหูท้อถอยเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านรำพานใจนั่นกําหนดไม่แน่นอนเอายังไงเนี่ยอันนี้แปลว่าศรัทธาไม่แข็งแรง ให้รู้ตัวเหอะมันนั่งเรียนก็นึกนึกนึกนี่นั่งฟังธรรมใจไม่ค่อยน่นหรอกมันอยากจะขึ้นให้ได้แต่มันยังไม่ได้ใช่ไหมเหตุผลไม่พอทุกคนเนี่ยอยากจะออกจากตรงนั้นนะมันออกไม่ได้ตอานี้นะอุปมาอุปมันถ้ายอมจะเข้าใจคนบางคนเนี่ยเขาไม่อยากจะเป็นเขาไม่อยากจะเป็นในบล็อกผู้ชายบางคนเนี่ยมีภาวะทำกิจใจเป็นหญิง บางคนร้องไห้เลยเนะ่ยเขาอยากจะออกจากตรงนั้นเนี่ยมันออกไม่ได้แล้วมันติดเขาคิดได้เป็นบางครั้งแต่ในส่วนเขาไปเพลินเนี่ยพออยู่ในต่อหน้าสังคมเขาโหดเด่นในสังคมมากแต่พอกลับไปอยู่เขาอยู่ในบ้านนี่เขาโหดไปเป็นทาสบางคนแก่แล้วนะเป็นผู้ชายนี่นะกลับไปที่บ้านก็เป็นทาสไอ้หนุ่มเล็กให้มันตบบ้างตีบ้างยอมเขาเขาก็ตบเอาตีเอาเขาดา่าเอเสีย ห, หาย ให้ทําอะไรให้เราต้องทําให้เขาด้วยความรักเขาเนี่ยบ่มรมบ่มเลอเข้าไปแล้วอยากจะออกไหมะมารู้จักหลายคนเป็นแบบเนี้ยกลับมาในหน้าตาในสังคมหเขายกย่องเป็นอาจารย์เป็นท็อกเตอร์เป็นอะไรเยอะแยะไปเแต่พอกลับเข้าบ้านนี่ก็คือไอ้เมียเนี่ยเพราะมันค ม, มเพราะใจตัวเองมันออกจากความภาวะอยากเป็นหญิงไม่ได้นี่ไงศรัทธาปกติมันออกจากศรัทธาปกติไม่ได้มันเข้าถึงภาวนาศรัทธาไม่ได้ อยากจะออกหลายๆคนเนะ่ยอยากจะเลยอธิบายอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมมันเป็นแบบนี้เนี่ยเราท่านทั้งหลายเนี่ยไม่อยากจะมานั่งหลับึื้งๆนะบางคนเนี่ยอยากจะออกนะมันออกไม่ไนดะ้ภาวนาวมันไม่แรงศรัทธาไม่แรงนี่นี่นี่นี่นี่เป็นอย่างนี้คือถ้าถามว่าคําว่าศรัทธาแบบปลอมๆเนี่ยเขารู้จกักกุศลแล้วใจน้ำหมันในความดีอยากรักษาศีลเนะี่ย มันถ้าอย่างที่ว่าไม่รู้จกักกุศลเลยเนะ่ยมันโอเพียดิมไม่รู้เรื่องแล้วอย่างงั้นนะแต่เรามันไม่ใช่เรามันระดับที่กําลังเราเนี่ยมันขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วแต่มันทะลุทะลุไม่ได้มันถูกไอตัวเนี้ยกดไว้อยู่นี่นี่ประการแรกถ้าระดับภาวนาศรัทธานี่นะศรัทธาที่ถูกบ่มเพาะจนได้เจริญด้วยอํานาจของการเจริญภาวนามีการเจริญอน า, านามานณาสติเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ย เขาบอกเหมือนช้างพลายที่มีพระกําลังมีเดชมากภาวนาศรัทธาคือสัพพินซีในโพธิปัจจียธรรมเนะจิตนั้นสงบจากจิตฟุ้งซ่านําคาญใจเป็นต้นพ่องแผ้วมากจิตที่มีระดับภาวนาศรัทธานี่นะ่ยเกสามารถเจริญกรรมฐานได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะรู้ว่าภาวนาศรัทธาเราแข็งแรงเนะี่ยเราลองดูสมมุติเราจะกาหนดลมหายใจเขา้าจะกําหนดสามสิบนาทีจิตก็ไม่พากออกเลยมันแรง ก็ อ, อยู่ได้กั็ลมหายใจอ่ะจะสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีก็เรื่อคุมจิตบ้าได้ไม่มันสั้สายได้นี่ชัดเลยนี่ตอนนี้ไม่ได้ต้องยอมรับเราไม่ได้แต่บางคนเขาได้จริงๆเขาสามารถน้อมมาได้ศรัทธาเขาแรงไงศรัทธิงซีเขาแรงมากเขาดึงมาได้ตลอดเวลาถ้าอย่างเราเพอจะดึงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็ถีนามิตะวูกตรงทั้งทั้งที่ไม่อยากเป็นใช่ไหมแต่ก็เป็นอยู่เรื่อยใช่ไหม เนี่ยไม่ใช่ว่ากันแต่ว่าตอนนี้ยังพัฒนาไม่ถึงมันมีวิธีไม่มีต้องเหมือนเนี่ยที่ว่าคนที่เขาเดี๋ยวที่มาไปพุงเนี่ยก็มีปัญหากันแบบนี้หมดเลยพเพิธีผ่านการปฏิบัติกันมาเยอะๆดีไหมออมาชี้ตุ้มๆตรงๆเลยเขาก็ยอมรับกันเขายอมรับอ่ะเขาทำยังไงบอกมาบอกวลองหาเวลาสักเจ็ดแปดวัน 7, น, นี่เขาบอกอา้าวลองดูดู หลบมุมเลยแล้วมาจะชี้ดูนเป็นยังไงก็ไปนั่งชี้ดูแล้วไปวิจัยกันเนี่ยอันนี้แปลว่าเขากล้าหลีกเล่นใช่ไหมอ๋อคนกล้าหลีกเล่นก็ไม่มีไรไม่มีปัญาแต่หลีกเล่นคุณคุณต้องกล้าจะเล่ความจริงว่ามันได้หรือไม่ได้เลยนะใช่ไหมจ๊ะเนี่ยระดับนี้เขาเรียกสภาวนาศรัทธาเนี่ยแข็งแรงอย่างเนี้ยเขาสามารถที่ว่าที่จะประการต่อมาคือวิริยสีวิริยะเนี่ยปกติกับวิริยะที่เป็นระดับภาวนาเนี่ยนะ ถ้าวิริยะในระดับที่เป็นปกติก็คือว่าในการงานทางโลกเนี่ยเป็นระดับวิริยะาทางกายเขาเพียนก็าทำอะไรต่างๆหูโหยคนเนี้เขาแข็งแรงทางโลกเนี่นะเป็นวิริยะแบบปกติเยอะแต่ถ้าหากวิริยะระดับเป็นวิริยินทร์ศรเนี่ยนะไม่ไม่ทำมาดาแล้วคือว่าวิริยะเขาเป็นมันออกจากอะไรอ่ะมันออกจากโกสัจฉะได้อกุศลเนี่ยอกุศลโกโกสัจฉะเนี่ย ตอนนี้เราออกไม่ได้แล้วออกจากอากุศลโกสัจชาโกสัจชาก็แปลว่าความเกลียดค้านเนี่ยแปลว่ามันออกไม่ได้หนึ่งอารภปธาต์เราไม่แรงเลยนิกรมธธ ร, กรมธาตุปัจจกรรมธาตุเนี่ยไม่แข็งแรงเลยคือมันจะเดินออกจากกลุ่มความเกลียดค้านเนี่ยออกไม่ได้มันก็ถูกชักจูงด้วยความโลภใช่ไหมถูกชักจูงด้วยความโกรธถูกชักจูงด้วยความหลงด้ว ย, วยอกุศลกรรมทั้งหลายมันจะดึงเราไว้หมดเลย โอ้ไม่ได้มันจะมีเหตุผลเยอะๆมันออกไม่ได้แต่วิริยะเนี่ยมันจะกล้าวิริยะเนี่ยมันจะกล้ามากมีความกล้ามากคือวิริยะเนี่ยถ้าเป็นปกติวิริยะแล้วเนี่ยถ้าเป็นระดับภาวนาวิริยะแล้วเขาเรียกว่ามันมีการออกนี่นะคือเขาสามารถบอกว่าแข็งแรงมากมานาสิกานอยู่ได้ว่าจะมีความมั่นคงในการถ้ากําหนดลมหายใจเข้าออกก็มั่นคงในตรงนั้นเลยเขามีความกล้าดออกมาจากความเกียดชังเลย ไม่ใช่โอ้โหถ้าเขาบอกว่ามีการจะต้องเดินกรรมาฐานเป็นวันนึลยเครื่องนี้<ม>คนที่วิริยะเนี่ยกล้าเขาอุบมาแรงนะบางแห่งนี่นะเขาบอกว่าคนที่มีวิริยะแบบปกติเนี่ยท่านอุปมาเหมือนหรือคนไม่วิริยะเนี่ยท่านอุปมาเหมือนกับมาป่าตาขาวม้าป่าตาขาวไม่กล้าออกไปหากินเดยวมันคุดอยู่ในโพรงไม้่มันอยู่ในโพรงไม้อ่ะ มันไม่กล้าออกไปหากินอาหารมันกลัวเสือเหลืองบ้างกลัวเสือดาวอีกกินมันเพราะมันจะเข้าไปในโพรงพวกหญ้าใช่ไหมมันก็กลัวอย่พยมบางคนไม่กล้าคนที่มีวิทยะแบบปกติไม่กล้าตั้งความเพียรหรอกถ้าเขาบอกว่าโอ้ยว่ามาว่าเหมือนพระมหาศีวะเถราที่เดินจง ก, กรมเท้าแตกต้องใช้ปอกระสอบมาเย็บเลยอเชือกเอาเชือกเย็บมัดเน่ะ ที่เท้าแต่ออกเกีจากการเลือดไหลอ่แล้วเดินแม้เดินสามสิบปีไม่ได้ไม่ได้นอนเลยหลังไม่ถึงพื้นเลยเท้าไม่เคยล้างเลยเงี้ยถ้าเจออย่างนี้สั่นทุ่มมัไม่เอาแล้วถ้าเราจะออกไปหาอาหารนี่ไม่ไม่กลัวเออมันมันกลัวไงถ้าเป็นหมาป่าตาขาวฝนตกคดอยู่ในพงเลยไม่กล้าเราก็เหมือนกันเขาได้ยินว่าจะต้องไปนั่งเป็นสองสามชั่วโมงโอ้ไม่เอาแล้ว จะต้องไปสร้างความเพียรขนาดนั้นอุ้มิเอาแล้วมันไม่กล้ามฟอร์มาแล้วชมหวานเป็นอย่างนั้นป่ะเข้าใจใช่ไหมเนี่ยบางทีไอ้ตรงเนี้ยก็เออมันเป็นไงนนที่มันยังไม่ถึงระดับนั้นเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้ปลกเราวิวริยะที่เป็นระดับภาวนาทีนี้ถ้าระดับภาวินวาวนาวิริยะก็คือมีการเจริญในเนี่ยกายคตาสติต่างๆเนี่ย สามารถออกจากจิตที่หดขู่ท้อถอยได้ก็เศร้าคุตที่อาถรรพ์ล่าเลิงก็ในที่สุดจริงๆก็บอกว่าเหมือนนี้ใครเคยกําหนดลมหายใจเข้าแล้วลมหายใจออกจนออกจากความเกลียดค้านแล้วรู้สึกว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยถ้าอยู่กับเขาสักสองสามชั่วโมงมันรู้สึกมันมันความสุขมันมากจริงๆนี่นะถ้าใครลองจเจริญได้เนี่ยอย่เอาเนี่ยย่าอยอมบงพลถ้าลองไปทําได้อนาบานะเนี่ ยอมอนาบานะนี่นะอเอาแค่อนาบานะไม่ต้องกรรมฐานอื่นเนียนะยกอย่างเนี้ยยอมมงคลว่าเคยกินอาหารเนี่ยอร่อยที่สุดใช่ไหมเหมือนเทียบไม่ได้กับอานาบานะรสชาติรสชาติหอมหวานจริงๆเราหาย ใ, ใจเข้าลมาหายใจออกอ่ยิ่งปฏิบัติยิ่งมีความสุขยิ่งปฏิบัติยิ่งมีความสุขอันนี้เราก็อยู่สุขแต่เพาะวัฏุกรรมนั่นเองใช่ไหม เราทั้งหลายยังไม่ไม่เคยไม่เคยจะได้ได้ลิ้มความสุขที่เกี่ยวกับเรื่องลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้ออกแค่เนี้ยนะไม่สามารถจะตั้งอยู่กับลมหายใจเข้าออกได้จนถึงสองสามสี่ห้าชั่วโมงเข้าใจใช่ไหมเนี่ยทำไมพระอริยะทั้งหลายหรือสาวกองพระพุทธเจ้าทั้งหลา ย, ยาทําทไมท่านหลีกเล่นกันเยอะแยะหมดเพราะท่านมีความสุขเพะท่านออกท่านกล้าไงท่านกล้าออกจากไอ้ว่าไอ้ความสุขที่อาศัยอมิตรเน่ะ ท่านน้องก็หาเนคขมะเนคขมะสุขสุขที่ไม่ต้องยิงอมิตรนี่เป็นอย่างนี้ส่วนสติก็คือว่าถ้าระดับสติธรรมดาก็ไม่แข็งแรงเลยนะแต่ถ้าสติที่เป็นระดับภาวนาเป็นสติที่ค่อนข้างแข็งแรงแข็งแรงก็สามารถที่จะว่าจะตั้งมั่นเป็นต้นทีนี้เขาก็เลยบอกว่าในกรณีที่ถ้าศรัทธาก็มีความเรื่อมใส ย, ยังไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมปริยาสง์เป็นต้นเหล่านี้นะ ระดับที่ว่ามีศีแล้วิสุทธิ์ที่เป็นประธาตฐานของโลกุตละถ้าหาก ร, ระดับวิรยิยะก็คือว่านั่นแหละสามารถประทานที่ท่านตั้งเขาไว้นั่นเองที่บอกว่าเนื้อและเลือดจะเหงือดแห้งหายไปเถิดคือคือก็ตั้งอย่างนี้ถ้าวิรยิยะเนี่ยเนื้อและเลือดจะเหงือดแห้งหายไปก็ตามทีจะเหลือแต่เอ็นหนังและกระดูกก็ตามทีเนี่ยถ้าอบายสังสารแหรืออบายสังสารทิฏฐิ และทจริตบาปกรรมทั้งหลายในขันธสันดานไม่สงบในพบนี้จัะไม่หยุดความเพียรเคยตั้งแบบนี้นะบอกว่าถ้าปิดอบายภูมิไม่ได้จะไม่หยุดความเพียรเนนะี่ยยอมนอบเคยตั้งแบบนี้นะความเพียรจริงๆก็คือการทํากุศลให้เกิดขึ้นในกระแสการาตอายตนะตลอดที่จริงไม่น่าจะยากเลยนะก็คืออย่าให้บาปเกิดในใจแค่นั้นเนะ่ยไม่ต้องไปทํายากเราทําง่ายๆแบบเนี้โชชนะเกิดเมื่อไหรก็ให้กุศลเกิด ชาวนาเกิดเมื่อไรก็ปกลุกเราให้กุศลเกิดนั่นแหละเขาเรียกวิรยิยะทำได้ไหมเอาคิดว่าทํายากไหมไม่เห็นยากเลยใช่ไหมก็คือทําให้กุศลเกิดตลอดเลยะก็คือให้กุศลเกิดนะ่ะไปทําอะไรก็ได้ไปนั่งขายของก็ได้ไปขายของอยู่เลยแต่ให้กุศลเกิดนะห้ามขายด้วยจิตเป็นบ่าวไปนั่งกินอาหารก็ให้กุศลเกิดตลอดเข้าห้องน้ําทํากิจต่างๆให้เป็นไอ้กุศลทั้งวีทั้งวันนะ่ะทาอะไรก็ได้ แต่มีข้อแม้ว่าห้ามให้บาปเกิดแค่นี้แหละมันก็ต้องถามตัวเองบอกว่าเอ้าถ้าเอางี้ถ้าบาปเกิดมากๆอย่างเงี้ยต้องกล้านะที่จะไปเอาเวทภูมินะต้องกล้าด้วยก็ไปเอาเชียงลีดมาใส่กระป๋องนมดูเอามาใส่กระป๋องใส่กะลาดูเอามดเอาปลวกมานั่นดูวัเนี่ยเรายังไม่พ้นเนี่ยถ้ามัวคิดบบางอนี้เดี๋ยวจะไปเกิดเป็นมดเป็นแมลงก็ได้นะเพราะอะไรเมื่อวานมาไปบรรยายที่พุดโลก อันมาก็เนี่ยยอมมาถามเป็นไงอามาบอกเอา น, นี้เราไม่ได้เป็นพระโพธศิสัตว์ใช่ไหมเมื่อไม่ได้เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเราก็ยังไม่ได้รับพุทธยากรด้วยขนาดได้รับพุทธยากรแล้วจะได้ตัดสรูกเป็นพระเจ้าเนี่ยจะไม่เกิดเป็นสัตว์ที่เล็กกว่านกกระจาบแล้วจะไม่โตกว่าชา้างเอาสิเราเนี่ยเป็นไส้เดือนก็ได้เราเน่ยเป็นมแมลงวันก็ได้เราน่ยเป็นหนอนอยู่ในซุวมก็ได้ เราเน่ยเป็นปลวกไปเจาะไม้เจาะอะไรก็ได้เราเป็นตัวพึ่งตัวเหลือบตัวไรเป็นต้นจะได้นี่งไงคติของเราเพราะเราไม่ได้เป็นพระโพธิสัตว์ที่ได้รับพุทธบัญญัติวอนาคตของเรามันน่ากเกลียด น, น่ากลัวเนี่ยเราไม่ได้มีโพธิไม่มีโพธินะสัมมาสัมโพธิอะไรอ ย, อยู่ในใจเลยอ่ะก็เราแค่ในขนาดเราอย่างนี้เลยยังไม่ น, นั่งบำมัดจริงไหมโยมเนาะคิดอย่างงี้ไหม ต้องวิจัยแบบนี้ถ้าไมวิจัยแบบนี้แล้ว เ, เราจะมองอยังไงอ่ะเราอย่าไปคิดนะว่าในพระศาสนานี่มันนั่งเพล่อปันแล้วมันได้หรือไม่ได้มันเป็นมันเป็นทางเดินของผู้กล้าลองดูว่าพระเจ้ากล้าไหมพระเจ้ากล้าขนาดไหนถ้าจะไปหมกไหมในเวจีมหานรกสี่ยสงขายยิ่งด้วยแสนกับกล้า ถ้าเสร็จแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้ากล้าที่จะไปทรมานท่านโลกใบนี้มันเต็มไปด้วยหลุมทานเพลิงจะเดินลุยด้วยเท้าเปล่าจากฝั่งนี้ไปถึงอีกฝั่งนู้นแล้วจะได้สัมมาสัมปริยานกล้าไม่กล้านี่ไงเป็นเป็นทางเดินของผู้กล้าไม่ใช่เป็นทางเดินของคนขี้ขาดในพระศาสนานี่เป็นทางเดินของผู้กล้าจริงๆโยเพราะผู้มีพราเจ้าของเราเป็นตัวอย่าง ท่านกลา้าทั้งนั้นท่านกล้าห า, านทั้งนั้นภาษารีบบทก็กลา้าพระโมคคัลลาน่าก็กลา้พาพระมหากระศก็กล้าเขากล้ากันทั้งนั้นแหละเหลือแต่เรานี่แหละเหลือเราจริงๆก็ใช่ไงก็เราเดินตามท่านทั้งนั้นแหละเราง่ายมากก็ขนาดง่ายขนาดนี้เรายังไม่กลา้าจะเดินเนี่ยเราไม่รู้จะขี้ขาดขนาดไหนแล้วใช่ไหมกงเขาบอมันมี <c oughs> ว่านั่นแหละมันกลัว เราไม่ใช่กุ้งเลือใคเกิดเป็งกุ้งมานานหรือเกิดเพราะประม า, ศ า, ศาสดาท่านวางแนวทางเข้าไว้ท่านค้นทางได้ใช่ไหมทางสายนี้ถูกปิดมาอย่างยาวนานในสังสารวัตรแต่ท่านก็มาเปิดเส้นทางนี้ให้แล้วท่านมาแผ่ทางทางให้แล้วท่านมาชี้บอกทางแล้วว่านี่เอกายโนยยังพิเวมะโคสตตานังวิสติยาโสกับฏิเดวะนังสมมติกมายะใช่ไหม ทุกขโทมานะสสตวนังอัฏฐานมายะญายาศาสตร์รรที่ขมาญาณิพพานศาสตร์จิกิริยญาณเนี่ยท่านก็บอกหอลวงพระเจ้นะบอกหน้าชื่นใจใจตด้ไม่นานมาให้เดินตังนานแล้วใช่ไหมพระองค์ก็บอกเป็นไปตามลําดับเลยนะถ้าหากว่าไม่บอกเลถ้าให้เราไปค้นเองอยู่โอ้ยใช่ไหมใช่พระบรมศาสดาท่านค้นได้ท่านเปิดแนวทางนี้ท่านชี้บอกทางเร้ยว่ามันดีบ้าง ต้องมีคนบอกขนาดนี้ถ้าไม่เดินเนี่ยเราไม่ต้องไปแผ่วทางทางเองต้องไปสร้างบา ร, รมีทั้งยี่สิบะสงไข่ใช่ไ ห, ไหมโยไม่ต้องเลยอะ่ะมีคนบอกมีคนถางทางให้มีคนเปิดทางให้แต่ฐาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกแต่เธอน่ยเดินทางสายเนี้ยไม่มีรับศาสดราใดที่จะชี้บอกท่ามสอนขนาดนี้ไปดูเหอะ นอกจากพระพุทธเจ้าไม่มีจริงๆพระองค์บอกมาเนี่ยว่าทางเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยมันถูกกลกมานานแล้วเห็นไหมลองไล่มาดิกูกกสันโตโคนาค า, าโนะกัสปาแล้วก็พระพุทธเจ้าแต่และองค์เห็นไหพระพุทธเจ้าปริญญาองค์ในอดีตปริญญาพานไปแล้วก็ทางนี้ก็กลบไม่มีคนหาเจอแต่พระพุทธเจ้าของเราก็มาเปิดเส้นทางนี้ใหม่แล้วก็ชี้บอก เดี๋ยวจะกรอบแล้วเนี่ยทางเนี่ยเรายังมาัวคิดคิดอะไรกันอยู่เนี่ยเขาจะว่าไงเนี่ยเป็นไงปรึกษากันแล้วปรึกษากันแล้วว่าไงและและ้วตอนนี้เริ่มรู้แนวทางยังเนี่ ย, ย, ยคืออย่างนี้นะทุกวันเนี่ยไอ้มาก็มานั่งวิเคราะห์ว่านั่งคุยกันสมัยสมมุตินะว่าความโลภเกิดก็ให้รู้นะความโกรธเกิดก็ให้รู้ ให้มาว่ามันมันถูกเนะ่ยจะไม่ใช่หมดนะไงมาใช้คำนี้ามายกตัวอย่างทั้งหลายครับวันะนี้เยีงวางอ่ะให้ โ, โรภโกรธลงมันเหมือนโจรในอยู่เราเป็นโยของบ้านเนาะอาโจรขึ้นบ้านแล้วก็รู้มันกําลังจะเอาทรัพย์ไปแล้วก็รู้มันคนทรัพเดินออกไปแล้วก็รู้ทรัพหมดบ้านแล้วก็รู้มันเป็นอยู่เนี่ยมันพอไหมมันไม่พอ ทุกครั้งมันขนไปแบบนี้ตลอดทราบในที่นั่นคือศีลสมาธิปัญญาทราบในที่นั้นคือทานศีลภาวนาที่ถูกมันขนไปเรื่อยไม่เอาปลอมทิ้งไว้ให้ครับเพราะไอ้รู้แค่เนี้ยจริงๆท่านสอนกันย้ายมันขึ้นมาบ้านถ้าที่มันอยู่ในบ้านไล่มันออกไปแค่นั้นแหละวิธีอย่างนี้ไล่ปุ๊บก็ปิดช่องทางที่มันจะเดินเข้ามาจะย้ายมันเดินก็คอยระมัดระวังอย้ายมันเข้ามา แล้วก็ทําความแข็งแรงให้ดุแล้วก็รอบรู้วิจัยแยกแยะให้ถูกเข้าใจใช่ไหมมันไม่ใช่แค่รู้ไงมันไม่ใช่แค่รู้รโอ้โหถ้ารู้อย่างเดียวแล้วมันนั่นก็สบายเลยแต่ว่าสอนแค่นี้อ่ะมันเหมาะแก่คารวาสถ้าพูดกันโดยตรงเลยนะให้สังเกตดโดยเฉพคารวาสสอนคารวาสอยู่แค่เนี้ยและสอนแบบเนี้ยมันได้ความสุขระดับหนึ่งเออมันโล่งใจสบายใจมันก็เบาใจเขาได้ไง แต่ได้แบบะระดับคาวาดได้ไม่ได้ท่ายสอนอะไรหรอกมันก็ได้เป็นกิจกรรมเฉพาะพักหนึ่งพักหนึ่งเป็นเหมือนเหมือนได้อ่ะก็แค่นั้นแหละแต่ถ้าสอนมากกว่านั้น<ม>เขาไม่เอาไปแล้วเดี๋ยวเนี้ยถ้าแค่นี้เอาถ้าอยากแนะนําอย่างละมาจมันดึงใจออกเลยเนี้ยโคนรโอ้โหรุนแรงเลยเกินนองไม่เอาแล้วอู้ท่านแรงไป ค้อสรุปตรงนี้ก็คือว่า <Okay. S 1> ระดับปกติเนี่ยนะปกติศรัทธาเนี่ยนะ mm hmm. คือว่าปกติศรัทธานั้นสามารถทํากุศลตามธรรมดามีทานสีนภาวนาเป็นต้นได้ไม่ได้แต่ยังไม่เป็นศรนะัทธาที่จะพัฒนาไปถึงการครอบงําตัณหาออกจากตัณหาไม่ได้ mm hmm. เห็นไหม <Okay. S 1> มันไม่สามารถออกได้แค่นั้นเองแต่เป็นได้สบายได้สามารถที่จะดูเหมือนทําบุญทํากุศลเป็นต้นอย่างนี้ได้นะ ตรงเนี้ไม่สามารถที่จะออกจากตัณหาไปไดนะ้ถ้าระดับภาวนาศรัทธาเนี่ยนะนเจริญออกขึ้นมาได้แล้วมันออกจากตัณหาได้เลยอยอมไม่ออกได้ด้วยระดับวิริยะปกติเนี่ยนะสามารถทํากุศลปกติได้ให้ทานรักษาศีลเล่าเรียนปริยติธรรมทรงจาําพิจนารณาธรรมได้ไม่ได้ไม่ยากอย่างที่เราทํารรมกันอยู่เนี่ยจะเรียนจบมหาเอกยังยอมนบยังได้เลยใช่ไหมจ๊ะเรียนได้ แต่จะพัฒนาในการออกจากโกศชาเนี่ยไม่ได้มันเป็นเท่มันเป็นวิริยะที่ยังปนกับโกศชายังเกลียดค้านอยู่ยังอะไรอยู่แค่นั้นนหละนก็ไปอย่างนี้ยนะนวันนี้ที่เกียดบ่งวันนี้อะไรต่างมันจะอยู่อย่างเงี้ยนั่นนะแหละเราก็ให้รู้จวนเป็นรักอะไรงี้ยไม่สามารถจะมีกําลังพัฒนาในการจะออกจากอากุศลโกศชาเป็นต้นได้ถูกโกสศชอาอกุศลครอบงาําวิริยะอยู่การครอบงาําอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ายัาง ย่ำรู้ความทิฏฐิทุจริตอบายเกิดขึ้นในอมะตะค้าสังสาระในการที่ได้ศึกษาพระธรรมเป็นต้นได้แต่ยังไม่สามารถจะหลุดพ้นไปจากการออกจากอากุศลโกสัจฉะเป็นต้นนะยังเป็นอาหารของโกสัจฉะอยู่เนาะก็คือว่าถ้าอย่างนี้เราก็จะเริ่มมองเห็นถ้าสวรรสติสติที่เป็นปกติเนี่ยนะ มันก็สามารถที่จะศึกษาและเึืออะไรต่างๆเหล่านี้ให้ทานรักษาศีลเจริญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาแบบแบบเรื่อยๆอย่างได้อยู่แต่ไม่สามารถจะออกจากมุทะมุทษสัสติการหลงลืมสออกมะอับนสติีการหลงลืมสติเอเป็นต้น่มาีะอกได้ระบภาวนาสุศลเป็นต้นหน้ออกไม่ได้ไม่สามารถที่จะออกได้ระดับภาวนาสติที่สามารถที่กำจัดมุทษสัสะ เขาเรียกว่ากลุ่มเนี่ยนะกลุ่มมุททัศสติความหลงลืมสติเป็นปฏิปักษต่อสติพละมันออกจากการหลงลืมสติไม่ได้เออเดี๋ยวลืมสติว่ากําหนดกรรมฐานก็หลุดเดี๋ยวก็หลุดเนี้ยสังเกตดูถ้าเราเป็นเงี้ยแสดงว่าของเราเป็นสติธรรมดามันยังไม่ได้เป็นระดับภาวนาสติก็มองเห็นใช่ไหมเนี่ย ไม่เป็นภาวนาสติเพราะถ้าภาวนาสติเพราะมันเกิดมันเกิดติดต่อมันเป็นสติปัฏฐานนี่ยกมันแปลว่าเกิดต่อเนื่องต่อเนื่องมันออกจากการหลงลืมสติได้อันนี้มันยังออกไม่ได้ยังออกไม่ได้พูดอย่างนี้หมดแรงไหมหมดไหมไม่ก็หมดแรงพูดะฮะกรมประการต่อมาก็จะกล่มวิเคป่าคือความฟาุ้งซ่านถ้าสมาธิธรรมดาไม่สามารถจะออกจากความฟุ้งซ่านได้ แต่ถ้าสมาธิระดับภาวนาไม่จะออกจากความฟุ้งซ่านได้สังเกตดูเนี้ยยังฟุ้งซ่านอยู่ไหมที่ว่าไปปฏิบัติปฏิบัติกันเนี่ยพอกลับมาทั้งนอกแล้วยังฟุ้งอยู่ไหมยอย่างนั้น่ะมันไม่เป็นแค่นั้นอ่ะอย่างนั้นจะเรียกว่าสมาธิปกติไม่ใช่เป็นภาวนาสมาธิถ้าปัญญาปกติก็ไม่สามารถที่จะออกจากกลุ่มสัมโมหะคือความรุ่มหลงเป็นต้นได้ อมันยังหลงเรื่องนั้นหลงเรื่องนี้อยู่เพลินเรื่องนั้นอยู่ออกไม่ได้แต่ถ้าเป็นภาวนาาปัญญาภาวนามันจะออกจากความลุ่มหลงได้จะไม่ติดข้องอ่ะท่านีชัดไหมเออนั่นแหละท่านี้มันจะเข้าใจพักสักหน่อยดีไหมรู้สึกเอาเสียงบอสม็จร่วงส่วนก็คือนิพพานเลยออกออกจากออกจากออกจากกิเลสได้ ละกิเลสได้เจ็ดค่ั บ, บใช่ในั่นเ็แบบสำเร็จล่วงสุดตัดกิเลสได้